คุณตามความเป็นจริง8ประการค้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นสนังคุมารพรหมได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าขอโอกาสเถิดท่านจอมเทพเราก็ควรได้ฟังพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นบ้างท้าวสักกะจอมเทพทูลรับสนองพระดํารัสแล้วทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการแก่สนังคุมารพรหมว่า ท้ามหาพรหมผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรหนึ่งตราบเท่าที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อคูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก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 นี้เป็นสิ่งควรเสพนี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพนี้เป็นสิ่งเลวนี้เป็นสิ่งประนีตนี้เป็นสิ่งดำเป็นสิ่งขาวและเป็นสิ่งไม่มีสิ่งเปรียบเราไม่เคยเห็นพระาศ า, ศศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผ <st> ู <phi> ้ทรงบัญ <ijke> ญัติธรรมเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งไม่มีโทษเป็นสิ่งควรเสพเป็นสิ่งไม่ควรเสพเป็นสิ่งเลวเป็นสิ่งประณีต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 ย่อมกลมกลืนกันได้เข้ากันได้แม้ฉันใดข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแกสาวกทั้งหลายพระนิพพานและข้อปฏิบัติย่อมเหมาะสมกันฉันนั้นเหมือนกันเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติใหถึงพระนิพพานอย่างนี้ในอดิตการเลยถึงในบัดนี้ เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น 5. พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงได้พระเสขะทั้งหลายผู้ยังต้องปฏิบัติและพระขีนาศพทั้งหลายผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระสหายแต่ไม่ทรงติดท่านเหล่านั้นทรงมุ่ง ม, มั่นปฏิบัติธรรมที่ยินดีการอยู่ผู้เดียวเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้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 แต่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นสเสวยพระกรยาหารอย่างปราศจากความมัวเมาเราไม่เคยเห็นพระาศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้สเสวยพระกรยาหารอย่างปราศจากความมัวเมาอย่างนี้ในอดีตการเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น 7. พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงมีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงทาอย่างนั้น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 พระผู teacher, ้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจผู้จบสิ้นความดำริด้วยอาธิพรหมจันทร์อันเป็นไปตามอัจฉริยะเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจจบสิ้นความดำริด้วยอาธิพรหมจันทร์อันเป็นไปตามอัจฉริยะอย่างนี้ในอดีตการเลย ถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริงแปประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแก่สนังกุมารพรหมแล้วในว่าเพราะการประกาศนั้นสนังกุมารพรหมครั้นทรงสดับพระคุณตามความเป็นจริง8ปประการของพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงมีพระไทยยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสจากนั้นสนางกุมารพรมทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นกุมารรูปเช่นกับปัญจสิกขคันทับบุตรปรากฏแก่พวกเทพชั้นเดวดึงแล้วขอะขึ้นบนอากาศประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศบนที่ว่างกลางอากาศเหมือนบุรุษมีกำลังนั่งขัดสมาธิบนบัลังที่ปูลาดไว้ดีแล้ว หรือบนพื้นที่ราบเรียบเสมอกันฉะนั้นแล้วรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นเดวดึงมาตรัสว่า<หน yt>เรื่องโควินทพรามเทพชั้นเดวดึงผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไร พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปัญญามากมานานเพียงไรท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าทิสัมบดีพราหม์ชื่อว่าโควินทะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทิสัมบดีพระราชกุ ม, มารพระนามว่าเรนุเป็นราชบุตรของพระเจ้าทิสัมบดีมานพชื่อว่าโชติปาละ เป็นบุตรของโควินทพรามเพราะเหตุนั้นบุคคลเหล่านี้คือพระราชบุตรเรนุโชติบาละมานกและกษัตริย์อีกหพระองค์รวมเป็น8ดคนได้เป็นสหายกันครั้นเมื่อวันคืนผ่านไปโควินทพรามได้ดับชีพครั้นโควินทพรามดับชีพแล้วพระเจ้าที่สัมบดีทรงเพ้อรำพันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย โควินทพรามได้ดับชีพเสียในเวลาที่เรามอบราชกิจทั้งปวงไว้แล้วเราเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีตรัสอย่างนั้นพระราชบุตรเรนุกราบทูลพระเจ้าที่สัมบดีดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝาละองทุลีพระบาทเมื่อโควินทพรามได้ดับชีพขอพระองค์ อย่าทรงเพ้อรำพันให้มากไปเลยยังมีโชติปาละมานพบุตรของโควินทพรามเป็นผู้ฉลาดกว่าบิดาและสามารถเล็งเห็นอัธกดีได้ดีกว่าบิดาของเขาเสีย อ, อีกยังเขาสามารถถวายคำปรึกษาอัธกดีอย่างที่บิดาของเขาได้ถวายคำปรึกษาพระเจ้าที่สัมบดีตรถามว่าอย่างนั้นหรือลูกพระราชบุตรเรณุทูลตอบว่า อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเรื่องมหาโควินทะท่านผู้เจริญทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าที่สัมบดีรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่ามณีพ่อหนุ่ม เธอจงเข้าไปหาโชติปาละมานพถึงที่อยู่บอกกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่าขอให้โชติปาละมานพมีความสุขความเจริญพระเจ้าที่สัมบดีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีมีพระราชประสงค์จะพบท่านราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชรรมรัสแล้วเข้าไปหาโชติปาละมานพถึงที่อยู่บอกเขาดังนี้ว่า ขอให้ท่านโชติปาลมานกมีความสุขความเจริญพระเจ้าที่สัมบดีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีมีพระราชประสงค์จะพบท่านโชติปาลมานกรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าที่สัมบดีถึงที่ประทับเด็กกราบทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ให้ทรงระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควร พระเจ้าที่สัมบดีได้ตรัสกับโชติปาลมานพดังนี้ว่าท่านโชติปาลมานพจงให้คําปรึกษาเราเถิดอย่าปฏิเสธการให้คําปรึกษาเราเลยเราจะแต่งตั้งท่านให้ดํารงตําแหน่งแทนบิดาจะทําพิธีอภิเษกไว้ในตําแหน่งโควินทพราหมณ์โชติปาลมานพทูลรับสนองพระราชดํารัสแล้วลําดับนั้นพระเจ้าที่สัมบดีทรงประกอบพระราชพิธี อภิเสกโชติปาละมานพไว้ในตำแหน่งโควินทะทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาโชติปาลมานพผู้ได้รับอภิเสกแต่งตั้งในตำแหน่งแทนบิดาได้ถวายคำปรึกษาอธิคดีที่บิดาเคยถวายคำปรึกษาถวายคำปรึกษาอธิคดีที่บิดาไม่เคยถวายคำปรึกษาจัดแจงการงานที่บิดาเคยจัดแจงจัดแจงการงานที่บิดาไม่เคยจัดแจง ชาวบ้านจึงเรียกโชติปาละมานพบว่าท่านโควินทพรามผู้เจริญท่านโควินทพรามผู้เจริญเพราะเหตุนี้แหละโชติปาละมานพบจึงเกิดมีสมยาว่าโควินทะมหาโควินทะ แบ่งราชสมบัติท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทพรามเข้าเฝ้ากษัตริย์หกพระองค์ถึงที่ประทับแล้วกราบทูลกษัตริย์หกพระองค์นั้นดังนี้ว่าขอเดชะฝ่าพระบาทพระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับใครจะรู้ชะตาชีวิตข้อที่พวกอมาธผู้สาเร็จราชการจะพึงอภิเษก พ, พระราชบุตรเรนุ ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สำบัีสวรรคตแล้วนั้นเป็นไปได้แน่นอนขอท่านผู้เจริญเสด็จมาเถิดจงพากันไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรเรนุถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพวกหมอมฉันเป็นพระสหายที่รักที่ถูกพระไทยที่โปรดปรานของท่านเรนุเมื่อท่านเรนุเป็นสุขพวกหมอมฉันก็เป็นสุขด้วยเมื่อท่านเรนุเป็นทุกข์พวกหมอมฉันก็เป็นทุกข์ด้วย พระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับใครจะรู้ชะตาชีวิตข้อที่พวกอมาตผู้สําเร็จราชการจะพึงอภิเษกท่านเรนุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วนั้นเป็นไปได้แน่นอนถ้าท่านเรนุได้ครองราชขอจงทรงแบ่งราชสมบัติให้พวกหม่อมฉันบ้าง พระสัตวทั้งหกพระองค์นั้นทรงรับคําของมหาโควินทพรามแล้วเข้าไปเฝ้าราชบุตรเรนุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าพวกหม่อมฉันเป็นสหายที่รักที่ถูกพระไทยที่โปรดปรานของท่านเรนุเมื่อท่านเรนุเป็นสุขพวกหม่อมฉันก็เป็นสุขด้วยเมื่อท่านเรนุเป็นทุกข์พวกหม่อมฉันก็เป็นทุกข์ด้วยพระเจ้าที่สัมบดีทรงชราทรงแก่เท่า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 จะพึงมีความสุขนอกจากท่านทั้งหลายถ้ามอมฉันได้ครองราชก็จะแบ่งราชสมบัติให้ท่านทั้งหลายท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาครั้นวันคืนผ่านไปพระเจ้าที่สัมปดีสวรรคตเมื่อเท้าเธอสวรรคตอมาตผู้สำเร็จราชการได้อภิเศกราชบุตรเรนุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชบุตรเรนุได้รับอภิเสกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทรงเ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อม ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณหต่อมาท่านมหาโควินทภรามเข้าไปเฝ้าออกษัตริย์6พระองค์นั้นถึงที่ประทับเรียกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วพระราชบุตรเรณุได้รับอภิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงเ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณหก็ใครเล่าจะรู้ว่า กามารมเป็นเหตุให้หลงมัวเมาขอพระองค์เสด็จมาเถิดขอจงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าที่สัมบดีสวรรค์แล้วท่านเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังทรงระลึกถึงพระดำรัสนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าค่า สัตร์ทั้งหกพระองค์นั้นทรงรับคำของท่านมหาโควินทรามแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าพระเจ้าที่สัมบดีสวรรคตแล้วท่านเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังทรงระลึกถึงพระดารัสนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าเรณุตรัสตอบว่าท่านผู้เจริญเรายังระลึกถึงคานั้นได้อยู่ ใครหนอจะสามารถแบ่งมหาปตพีนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันกษัตริย์ทั้งหกพระองค์กราบทูลว่าจะมีใครอื่นอีกเล่าที่สามารถแบ่งได้นอกจากมหาโควินทภรามพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระเจ้าเรณุรับสั่งเรียกราชบุุษคนหนึ่งมาตรัสว่า มาเถิดท่านผู้เจริญจงเข้าไปหามหาโควินทพรามถึงที่อยู่แล้วบอกว่าพระเจ้าเรณุรับสั่งเรียกหาท่านราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหามหาโควินทพรามถึงที่อยู่บอกว่าพระเจ้าเรณุรับสั่งหาท่านขอรับท่านมหาโควินทพรามรับคำแล้วไปเข้าเฝ้าพระเจ้ า, าเรณุถึงที่ประทับ ได้ทูลสนธนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ให้เราลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระเจ้าเรนุตรัสกับท่านมหาโควินทพรามดังนี้ว่ามาเถิดท่านโควินทะจงแบ่งมหาปทิพีนี้ซึ่งทางทิศเหนือพายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกัน ท่านมหาโควินทพรามทูลรับสนองพระราชรารัมรัตแล้วแบ่งมหาปัฏิพีนี้ซึ่งทางทิศเหนือพายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวีนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันสถาปนารัฐอาณาจักรทั้งหมดให้มีลักษณะเหมือนส่วนหน้าของเกวีนทราบว่าในเนื้อที่เหล่านั้นชนบทมหาอาณาจักรของพระเจ้าเรนุอยู่ตรงกลางรัฐทั้งหมดนั้นคือ <unlucky. S 2> ท่านมหาโควินทะให้สร้างเมืองหลวงเหล่านี้ไว้คือให้สร้างกรุงทันตะปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐกาลินคะให้สร้างกรุงโปตนะเป็นเมืองหลวงของรัฐอสกะให้สร้างกรุงมาฮิสติเป็นเมืองหลวงของรัฐอวันตีให้สร้างกรุงโรรุกะเป็นเมืองหลวงของรัฐโสวีรานะให้สร้างกรุงมิิลาเป็นเมืองหลวงของรัฐวิเทหะ ให้สร้างกรุงจมปาเป็นเมืองหลวงของรัฐอังคะให้สร้างกรุงพารณสีเป็นเมืองหลวงของรัฐกาสีท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้งนั้นกษัตริย์หกพระองค์มีพระททยยินดีด้วยลาบส่วนของพระองค์มีพระดำริสำเร็จบริบูรณ์ว่าสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งใดที่เราหวังสิ่งใดที่เราประสงค์สิ่งใดที่เราปรารถนาอย่างยิ่ง สิ่งนั้นเราได้แล้วพระเจ้าสัตตภูพระเจ้าพรหมทัตรพระเจ้าเวสภูพระเจ้าภารตะพระเจ้าเรณุพระเจ้าทตะรทะสองพระองค์รวมพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชในเวลานั้นมีเจดพระองค์ภาณวาระที่หนึ่งจบ ที่คุณของมหาโควินทพรามท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมากระสัตย์ทั้งหกพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านโควินทพรามถึงที่อยู่ได้ตรัสดังนี้ว่าขอท่านโควินทพรามจงเป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพวกเราดังที่ท่านโควินทะเป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพระเจ้าเรนุขอจงให้คำปรึกษาพวกเราอย่าปฏิเสธการให้คาปรึกษาพวกเราเลย มหาโควินทพราม์ทูลรับสนองพระราชด âm รัสของกษัต ร, ริย์ทั้งหพระองค์เหล่านั้นผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วต่อมาท่านมหาโควินทพราม์ถวายคําปรึกษาเกี่ยวกับราชกิจแดกกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเจพระองค์ที่ตนต้องถวายคําปรึกษาและบอกมนแก่พราหมณนมหาศาลเจคนและพราหมณ์นหาดกเจ็ร้อคนท่านผู้เจริญทั้งหลาย ครั้นต่อมาท่านมหาโควินทรา ม, มีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทรามสามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ครั้งนั้นท่านมหาโควินทรามีความดำริดังนี้ว่าเรามีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทรามสามารถมองเห็นพระพรหมได้ สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เราไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยเราได้สดับคําของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาาราชญ์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเล่นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอดสี่เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ทางที่ดี เราควรหลีกเรนเพ่งกรุณาชาญอยู่สักสี่เดือนท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโควินทพรามเข้าไปฟ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทข้าพระองค์มีิติศัพท์อันงามขอจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพรามสามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยแต่ข้าพระองค์ได้สดับคำนี้ของพราหมู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจาร์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอดสเดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกเร้น เพ่งกรุณาชาญอยู่ตลอดสเดือนในฤดนูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาฆ่าพระองค์ยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตรัสว่าโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิด ผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านมหาโควินทพรามเข้าไปหาพราหมณ์มหาศารเจ็คนและพราหมณ์ณหาดกเจ็ดร้อยคนแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ามีกิติศัพท์อันงามกขจรไปอย่างนี้ว่ามหาโควินทพรามสามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยกับพระพรหมเลย แต่ข้าพเจ้าได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปร า, ารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเล่นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอดสี่เดือนในฤ ด, ดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงสาธยายมนตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารและจงบอกมนแก่กันและกัน ข้าพเจ้าปรารถนาะหลิกเรนเพ่งกรุณาชานอยู่ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาข้าพเจ้ายกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นพวกพราหมมหาศาลและพวกพราหมณ์นหาดกกล่าวว่าท่านโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณนบัดนี้เถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้น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 แฉันได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานตลอดสี่เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ฉันปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาฉันยกเว้นคนที่นาอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้น พันยาเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโควินทะขอท่านจงกาหนดเวลาที่สมควรหน้าบัดนี้เถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายจากนั้นท่านโควินทพราหมณ์จึงให้สร้างสันทาคารหลังใหม่ทางที่ตะวันออกแห่งเมืองแล้วหลีกเรนเพ่งกรุณาชาญอยู่ตลอดสเดือนในฤดูฝนไม่มีใครๆเข้าไปหานอกจากคนนาอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นครั้นเวลาล่วงไปสี่เดือนแล้ว ท่านมหาโควินทพราหม์เกิดความระอาทอแท้ว่าเราได้สดับคํานี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปราจาร์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เรายังไม่เห็นพระพรหมทั้งไม่ได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลย การสนทนากับพระพรหมท่านผู้เจริญทั้งหลายเวลานั้นสนังกุมารพรหมทราบความคิดคำนึงของท่านมหาโควินทรามด้วยใจทรงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าท่านมหาโควินทรามเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นท่านมหาโควินทรามเกิดความหวาดกลัวค้นพองสยองกล้าวเพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็น ครั้นมหาโควินทพรามเกิดความหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าวแล้วได้กราบทูลสนางกุมารพรมด้วยคาถาว่าท่านผู้นิรทุกท่านเป็นใครจึงมีวันณนะยศและสิริข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านจึงขอถามว่าข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรสนางกุมารพรมตรัสตอบด้วยคาถาว่าเทพทั้งปวงรู้จักเราดีว่าเป็นกุมารตลอดกาลอยู่ในพรหมโลก ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดโควินทะท่านโควินทพราหมณ์กราบทูลด้วยคถ า, าว่าข้าพเจ้าถวายของมีค่าเหล่านี้คืออาสนะน้ําดื่มน้ํามันทาเทา้าน้ํามันเขียเข่ยวน้ําตาลเขี่ยวแดดพระพรหมขอท่านผู้เจริญจงรับของมีค่าของข้าพเจ้าเถิดสนังกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคถ า, าว่าท่านโควินทะเรายอมรับของมีค่าของท่าน ที่ท่านพูดถึงเราให้โอกาสท่านแล้วจงถามเรื่องใดๆก็ได้ที่ท่านปรารถนาจะถามเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อสุขในอนาคตท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านมหาโควินท ร, รามีความคิดดังนี้ว่า สนังกุมารพรหมให้โอกาสแล้วเราควรถามประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในอนาคตกับท่านอย่างไหนหนอคิดต่อไปอีกว่าเราเป็นผู้ฉลาดเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันแม้ชนเหล่าอื่นก็ถามประโยชน์ในปัจจุบันกับเราทางที่ดีเราควรถามถึงประโยชน์ในอนาคตกับสนังกุมารพรหมจึงกราบทูลสนังกุมารพรหมด้วยพระคาถาว่า ข้าพเจ้ามีความสงสัยจะขอถามท่านสนังกุมารพรมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาที่ผู้อื่นสงสัยว่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมอะไรศึกษาอยู่ในธรรมอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้สนังกุมารพรมตรัสตอบด้วยพระคถาว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นผู้อยู่ผู้เดียว ผู้น้อมใจไปในการุนาผู้ไม่มีกลิ่นชั่วร้ายเว้นจากเมถุนสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้และศึกษาอยู่ในธรรมนี้จึงจะถึงพรมโลกอันเป็นอมาตะได้ท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาโควินทพรามกราบทูลว่าคำของท่านที่ว่าและความยึดถือว่าเป็นของเราเขาพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ ละทิ้งกองโภ้สมบัติน้อยใหญ่และละเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคำของท่านที่ว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้คำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางคำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวเข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้คำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาเข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แพไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาข้าพเจ้าเข้าใจดังว่ามานี้อันหนึ่งเมื่อท่านผู้เจริญพูดถึงกลิ่นชั่วร้ายอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้จักกลิ่นนั้นมหาโควินทพรามทูลถามด้วยคถาว่า ค้าแต่พรหมบรรดามนุษย์พวกไหนมีกลิ่นชั่วร้ายข้าพเจ้าไม่รู้จักพวกนั้นขอท่านผู้เป็นปราชจงบอกมาในที่นี้เถิดอะไรร้อยรัดหมูสัตว์จึงเหม็นเน่าคลุง้งต้องไปอบายปิดพรหมโลกแล้วสนางกุมารพรหมตรัสตอบด้วยคาถาว่าโกทะความโกรธโมสวัชชะการพูดเท็จนิกติการโกง โทภพพะการประทุษร้ายมิตรกรทะริยตาความตรนีอติมานะความดูหมิน่นอุสุยาความริษยาอิจฉาความปรารถนาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยปะระเหธนาการเบียดเบียนผู้อื่นโลภะความอยากได้โทสะความคิดประทุษร้ายมทะความมัวเมา โมหะความหลงสัตว์ผู้ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้จัดว่าเป็นผู้มีกลิ่นชั่วร้ายต้องไปอบายปิดโพรมโลกแล้วมหา โ, โควินทพรามกราบทูลว่าเมื่อท่านผู้เจริญตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายข้าพเจ้าจึงรู้จักกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต สนางกุมารพรมตรัสว่าโควินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดถวายบังคมลาพระเจ้าเรนุท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทะพราม์เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับ เนืกราบทูลดังนี้ว่าบัดนี้ขอได้โปรสแสวงหาปุโรหิตคนอื่นผู้จะถวายคําปรึกษาราชกิจแด่พระองค์เถิดพระเจ้าค่าข้าพระองค์ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพระเจ้าค่ะ ท่านมหาโควินทรามกราบทูลด้วยคถาว่าข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขอพระองค์ทรงราพระราชกิจข้าพระองค์ไม่ยินดีในตำแหน่งปุโรหิตพระเจ้าเรณุตรัสตอบด้วยคถาว่าถ้าท่านยังพร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาเราจะเพิ่มให้เต็มผู้ใดเบียดเบียนท่านเราผู้เป็นเจ้าแผ่นดินจะห้ามผู้นั้นเอง ท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่าข้าพระองค์ไม่พร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาไม่มีใครเบียดเบียนข้าพระองค์แต่เพราะได้ฟังคําของผู้ไม่ใช่มนุษย์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีการอยู่ครองเรือนพระเจ้าเรณุตรัสถามว่าท่านผู้ไม่ใช่มนุษย์มีวั น, นะอย่างไรบอกอะไรซึ่งท่านฟังแล้วยอมทอดทิ้งทั้งเย้าเรือนของพวกเราทั้งพวกเราและชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่าเมื่อข้าพระองค์อยู่เพียงลำพังเมื่อก่อนต้องการจะเส้นสวงบูชาจึงสุมไฟให้ลุกโผลด้วยใบหญ้าคาทันใดนั้นสนังกุมารพรมผู้เป็นพรหมตลอดกาลมาจากพรหมโลกปรากฏแก่ข้าพระองค์พระพรหมต่อปัญหาแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังคำตอบข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการอยู่ครองเรือน พระเจ้าเรนุตรัสถามว่าท่านโควินทะข้าพรเจ้าเชื่อคำที่ท่านบอกท่านฟังคำของผู้ไม่ใช่มนุษย์แล้วจะประพฤติเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรเราจะประพฤติตามท่านท่านโควินทะเป็นครูของเราพวกเราจะประพฤติให้บริสุทธิ์ตามคำสั่งสอนของท่านโควินทะเหมือนแก้วไพยทูลไม่มีฝ้าไรราคีงดงามฉะ่นั้นพระเจ้าเรนุตรัสว่า ถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างท่านมีคติใดเราก็จะมีคตินั้นด้วย